อุปสมบทให้สิกขาบร า, าสองรูปพิกษตนีตั้งใจว่าจะบวชให้สิกขาบร า, าสองรูปแล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกกดจบยติต้องอบัตทุกกจออดกกจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกกดสองตัวจบกรรมวาจารครั้งสุดท้ายพิกษตนีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุกกด